เห็นโทษคนอื่นว่าเลวเท่าใดเราก็จะห่างมักผลนี้ผ่านไปเท่านั้นเพราะเราให้ร้ายป้ายสีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถึงเขาเลวจริงเขาหน้าสงสารหรือหน้าหน้าตําหนิเติเตียนถ้าเขาเลวจริงก็ถามว่าหน้าเห็นใจหรือว่าหน้าส่งหน้าส่งไปสู่อบายเป็นต้นหรือหน้าสงสารมันก็หน้าสงสารสินะเขาก็เลวพอแล้วเนี่ยเราจังไปร่วมแบ่งหุ้นเขามาอีกหรือเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าเรารู้ความเลวเราจ้องหาแต่ความเลวของเขาเนี่ย เราเร็วกว่าเขาเยอะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันมันน้อมไปคิดแต่เรื่องนี้เร็เวๆบางทีไอ้คนที่ทําเร็วจําไม่ได้แล้วลืมไปตั้งนานแล้วแล้วเออพูดอย่างนั้นไปเหรอโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะยังไม่ได้มีเจตนาเลยไอ้คนหนึ่งจําไปย้ำคิดย้ำคิดคิ ด, คดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเกือบจะตกนรกให้ได้เลยนะซึ่งไอ้คานั้นเขาเลิกพูดตั้งนานแล้วเขาเลิกคิดตั้งนานแล้วก็เปลี่ยนใจไปตั้งนานแล้วก็นึกว่าเขาเนี่ยเลวถาวรเร็วนี่รันดรนไอ้คนที่ย้ำคิดนี่สิใช่เลยแหละ เนี่ยนะทาวแ น, น่นอนเนี่ยนะแปล ว, ว่ามั่นมั่นคงเนี่ยนะแก้ไขา ย, ยากเพราะหาช่องทางที่จะทํำลายบุคคลอื่นไปที่ไหนก็ไปพูดแต่ความเลวอันนั้นของเขาทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนนี้มันมีไม่ละและบาปไม่ต้องห่วงหรอกถ้าสิ่งนั้นเขาทําเลวเนี่ยเราต้องไปช่วยใช้เขาไม่ล่ะถ้าเขาทาบาปเราต้องมีหนี้ผูกพันช่วยชดใช้เขาไหม ไม่ต้องเลยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเอาเขาเขาทำบาปควรแล้วที่จะสงสารตอนที่เขาทําบาปก็หน้าสงสารถ้าบาปเหล่านั้นจะให้ผลต่อไปในอนาคตจะน่าสงสารขนาดไหนมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะเหมือนตาบอดมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวรรหูหนวก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวพิกลพิการอกุศลวิบากให้ผลก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะเกิดมายากดีมีจนชาติตระกูลสติปัญญาสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าเขาทําไม่ดีมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาอะ่ะ เนี่ยนะเราไม่ต้องช่วยเป็นเขารอกแต่ถ้าเราไปร่วมคิดแบบนี้เนี่ยนะเราร่วมมโนกรรมแล้วนะไปคิดด้วยกับเขาก็ร่วมมโนกรรมไปร่วมพูดกับสิ่งนั้นก็เป็นวจีกรรมไปร่วมทำก็เป็นกายกรรมจะไปไหนเนี่ยนะในข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอันนี้พวกจิตสิ่งที่ทำให้จิตใจแข็งกระด้างเนี่ยนะสิ่งที่จิตใจทาให้แข็งกระด้างที่เรียกว่า ตะปูตรึงใจเนี่ยนะตะปูที่ตรึงเอาไว้ในใจคิดง่ายๆถ้าเรากลืนตะปูเข้าไปในใจเนี่ยมันจะเป็นยังไงกลืนท่อนเหล็กเข้าไปไว้เน่ใจของเราจะเป็นอย่างไรบอกฉันใดก็ฉันนั้นนี่มาดูเครื่องผูกพันใจเนี่ยอันนี้ผูกนะไม่ใช่ไม่ถึงกับตรึงนะแต่ก็ผูกเอาไว้เครื่องผูกพันใจ5ประการอันภิสูจนั้นยังถอนไม่ได้เป็นไฉนดะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทยานในกามคือหมายเาว่ายังหิววัตถุ ก, กามด้วยกิเลสกรรมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ อยู่าับพิ i, สูุทั้งหลายจิตของพิสูจผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ป ร, ราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในวัตถุกรรม ด, ด้วยกิเลสกรรมจิตของเขาย่อมไม่น้อมไปเพื่อปรารบความเพียรเพื่อเครื่องเผาเกิเลสไม่น้อมไปเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ ตั้งมั่นพ่อะไรเพราะอย่างอะไรอาวุนในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกามเมื่อใจน้อมไปอย่างนั้นจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรข้อที่จิตของพิสูุน์ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อความธรรมติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่พิสูจน์นั้นยังถอนไม่ได้นี่นะเพราะอะไรใจยังพันยังผูกกับวัตถุกรรมด้วยอํานาจ ก, กิเลสกรรมแต่ก็จริงนะสมมติถ้าเกิดอยากได้กุติสักหลังหนึ่งมาใจมันก็คิดอยู่นั่นน่ะนะแต่พูดอย่างนี้เล่าให้ฟังนะพอมามีกุติแล้ว <c oughs> นะหมก็ว่าสมุท่านอยากได้กุติขึ้นมาสักหลังหนึ่งเนะี่ยแหมมันพันอยู่กับกุติเอ๊่เนี่ยออกแบบนะนะนั่งสร้างแบบกุติอยู่ในใจอยู่นั่นเล ย, เ, ยเนี่ยนะก็คิดหาว่าเอ๊จะหาทุนจากไหนมาสร้างจะไปเจริญสมถะวิปัสสนาอ ย, อยัางไงจะไปเจริญไตรสิกขาข้อไหนะเพราะใจมันอยู่แต่กับกับอิฐินปูนทรายนี่นแหละอย่างที่หลวงพ่อองค์หนึ่งท่่่าานล ตอนนี้ม่รู้นั่งหลับตาปั๊บอิดหินปูนทรายมาเลยเนี่ยนะทรายกี่คิวปูนกี่ลูกอิดกี่ก้อนเนี่ยนะอะไรก็อยู่นี่แหละเนี่ยนะจะไปไหนน่าะนะโแถวนี้มีมัคคายกเยอะเนี่ยนะดูก่อนพี่สุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายอันนี้หมายความว่าแหมรักร่างกายตัวเองมากเลยนะชื่นชมร่างกายของตัวเองว่าว่าอะไรก็ว่าอย่างที่ตัวเองชอบตัวนั่นแหละ ดูก่านพิสุทั้งหลายจิตของภิกษุนที่ผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเล่ารนยังไม่ปราศจากความทะเยอทยานในร่างกายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทาติดต่อเพื่อความเพียรที่ ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆ เ, เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว คือคือเป็นคนที่นั่งชื่นชมกายตัวเองอยู่นั่นแลนั่งตกแต่งกายกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่งามตกแต่งทั้งอบทั้งนวดแต่สุดแท้แต่ว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดีที่สุดงามที่สุดเป็นต้นเนี่ยนะก็มานั่งประดับประดาร่างกายที่เปลือยเน่าอยู่นั่นแหละจะไปไหนที่ 3. ามดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษุยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกําหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรัก ยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทยานในรูปรูปภายนอกอนะรูปภายนอกทั้งหลายในสีในเสียงชอบชมวิวทิวทัศน์ชอบอ่านะดูคนนั้นดูคนนี้ชอบดูจิตกรรมฝาผนังชอบภาพวิจิตพิสดารอนะ่รนะเรียกว่าชอบลวดลายชอบท่องเที่ยวอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากเที่ยวไปเรื่อยเป็นต้นหรือชอบคนนั้นชอบคนนี้เป็นต้นเ น, นี่ยนะดูความพิสูจนทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียนเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทาติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้อย่างละไม่ได้แล้วอันนี้ติดใจในสีสันภายนอกนั่นเองข้อที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบริโภค ใช้อิ่มพอแก่ความประสงค์พอแก่ความต้องการแล้วนะกินอิ่มท้องก็อืดเนี่ยนะประกอบก็ความสุขในการนอนนะคะเนี่ยมีความสุขในการเอนกระเอนก็เอกเอน็ดพลิกซ้ายพลิกขาพลิกซ้ายก็เป็นสุขพลิกขวาก็ดีนอนง่ายก็แมมไม่เลวไงนะก็เลยมีความสุขในการหลับอยู่ดูก่อนพิสูลายจิตของพิสูผู้บริโภคอิ่มพอแก่ความประสงค์แลว้ว ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทาติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิสุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วอันนี้ข้อที่สี่จะไปติดใจในอะไรหลับเนี่ยนะนอนเนี่ยแราหนิ่งไปหลับขยับก็กินต่อเนี่ยนะแล้วก็หลับต่อเนี่ยนะถ้ามีอยู่กลุ่มหนึ่งกะไดเป็นพระเน้น้อยนะกลุ่มพระนุ่มเมน้น้อยเนะนี่ยเอมามีนิทานเกี่ยวกับพระเน้นเล่าเยอะด้านไม่ดีนะมีวันนึก็ก็ไปอยู่ที่หนึ่งนะ โยมก็ถวายจริงๆเลยนะของก็เยอะ ม, มากนะท่านกับฉันไอ้มแป้แล้วก็ไปหลับตื่นขึ้นมาแล้วมาฉันต่อแล้วเพอเจอเของมงงโงงแงงเนี่ยนะจนอิมพอแล้วก็แยกกันไปหลับแล้วก็ตื่นมาก็นั่งกินบอกโอ๊ยอะไรจะขนาดนี้พวกนี้ก็นิ่งเป็นหลับขยับมาหาฉันอีกแล้วเนี่ยนะเด็กเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นก็หลับพลิกซ้ายพลิกขวาอย่นั้นแหละทีนี้อากุศลวิตตกความเริ่มมากทำไงเซิร์กเนี่ยนะ กลุ่มนั้นศึกเร็วกับเพื่อนเนี่ยนะมันคุยกันเวลาคุยกันคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องศึกแค่ น, นั้นนะไม่มีเรื่องพระอริยเจ้ามาคุยรอกนี่ยนะก็เลยมีแต่เรื่องเรื่องคาราวะมาคุยในที่สุดก็เลยกลายเป็นคาราวะไปเองเลยไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพพระเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้เกิดวารักษาศีลเพื่อเป็นเทวดา นะเพื่อประพฤติข้อวัดประพฤติตบะหรือประพฤติพรหมจันทร์เพื่อเป็นเทพเทวดาหรือเป็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะใจจริงไม่ได้อยากจะนิพพานบรรลุมรรคผลอะไรหรอกชาติหน้าไปเป็นสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารบ้างก็เอาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะหรือว่าปรารถนาได้ไปอยู่ในที่ตัวเองพอใจนี่ก็ดีใจแล้วเกิดชาติหน้าเป็นไปได้อย่างที่ตัวเองต้องการเป็น ผู้ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งได้ตําแหน่งได้ตําแหน่งหนึ่งมียศอย่างใดอย่างหนึ่งเข า, งนะขาปั้นหุ่นไว้ให้หน่อยอุ้ยพอใจแล้วนางหนึ่งนะก็ปั้นหุ่นไว้เนี่ีพึ่งอะไรนะเป็นหุ่นขี้พึ่งก็ได้อิฐหินปูนซ้ายก็มาปั้นปนเอยอันนั้นม่มีชื่อเราอยู่แถวนั้นบ้างก็อุย้ยวิเศษแล้วเหมือนกันนะบางคนว่าโอ้ยให้มีชื่อติดทางถนนบ้างก็ดีแล้วเหมือนกันถนนนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ชื่อนั่นชื่อนี่นะบางคนนี่มันต้องการอยู่แค่นั้นจริงๆนะทําทุกอย่างเพื่อให้มีเท่านนั้ะ จิตของผู้ที่คิดแบบนี้จะไปไหนเอาจิตของภิกษุเนี่ยจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งโดยที่สุดปรารถนาจะเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาผีเจ้าบ้านผีเจ้าเมืองืบางคนเนี่ปรารถนาจะเป็นเทวดาเฝ้าเมืองนะปรารถนาเป็นพระปูมิเจ้าที่พระอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสรุปว่าปรารถนาจะเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนะจะเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลไหม เพราะฉะนั้นจะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิสูจน์ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้าที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันพิสูุนนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว ไมปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ว่าก็ดีกันอยู่แล้วนะแต่นี่ผูแต่เจ้าบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผลหรอกเลยนะมัวแต่คิดถึงเทวดาในลักษณะว่าตัวเองอยากจะเป็นเทวดาเขอกกันก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูเครื่องตรึงใจห้าประการเหล่านี้ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ ภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญด้วยศีลสมาธิงอกงามด้วยวิปัสสนาอริยมรรคภัยบูรด้วยอริยผลและนิพพานในพระธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะพวกนี้จะไม่ถือเอาศีลเป็นสาระจะไม่ถือเอาสมถาวิปัสสนาเป็นสาระถือเอามรรคผลเป็นสาระเพราะมัวแต่สงสัยพระพุทธพระธรรมและ พระสงฆ์สงสัยในสิกขามัวแต่ทะเลาะเบาแวงการติดในเรื่องวัตถุกรรมกิเลสกลารมติดใจแต่ในเรื่องอร่างกายของตัวชอบใจในรูปเนี่ยนะชอบแต่หลับชอบแต่นอนปราถนาจะเป็นเทวดาเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อแต่คิดอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้บรรลุมรรคผลมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ฐานะแปลว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะได้บรรลุมรรคผลเทวันที่จะบรเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ตรงกันข้ามแหะตรงกันข้ามเมื่อกี้นี้พูดฝ่ายวัตตะ ม, มาเยอะแล้วนะปฏิปทาพวกเฝ้าวัตตะนี่เขาทํากันอย่างนั้นแหละนะสงสัยพระพุทธเจ้าให้มากๆนะก็ไม่ต้องคือวิธีไม่บรรลุมรรคผลนิพพานบอกทํำยังไงบอกทำอย่างที่เคยทําเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละนะถ้าถ้าจะแก้ไขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมาดูว่าเขาทํากันอย่างไรนะดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายดูก่อนพิสูุทั้งหลาย ตปูเครื่องตรึงใจห้าประการนี้ชื่อว่าอันพิสูจนนั้นละได้แล้วเป็นไฉทละได้ก็คืออะไรพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้ไม่สงสัยไม่สงสัยมาเออเชื่อเชื่อล้เออเชื่อเชื่อเชื่อล้วล้งเชื่อไปอย่างนั้นนะนะไม่ใช่นะคําว่าไม่สงสัยก็คือรู้ในพระพุทธคุณ ไม่เคลือบแคลงไม่สงสยัยแล้วก็ปรงใจเชื่อเลื่อมใสในภาษาสดาจริงๆเลยว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผ้าอารหันไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยนะเลื่อมใสธรรมวัดเชา้าธรรมวัดเย็นี่แม่สบายใจผ่องใสเหลือกเกินนั่นแหละลักษณะของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสยัยไม่เคลือบแคลง จิตที่ปลงใจเชื่อเลื่อมใสในภาษาสดา น, นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆ เ, เพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นข้อที่จิตของพิสูจน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพืพ่อความประกอบเนือ ง, เองๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่พิสูจนั้น ละได้แล้วเพราะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าทราบซึ้งรอบรู้ในพระพุทธคุณเป็นอย่างดีเนี่ยนะดูความพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงและก็ปลงใจเชื่อแน่ใจในแน่ใจเลื่อมใสในพระธรรมทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยนะดูความพิสูจนทั้งหลายจิตของพิสูจนนั้น ของผู้ไม่สงสยัยไม่เคลือบแคลงเป็นจิตที่ปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระธรรมนั้นเนี่ยนะจิตที่เลื่อมใสในสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกว่าพระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะจิตนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสนะเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่น ข้อที่จิตของพิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทมติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นยที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่พิกษุนั้นละได้แล้วเนี่ยนะก็ไม่สงสัยเลยนะไอ้คำว่าไม่สงสัยเนี่ยคือเข้าใจความหมายของพระธรรมว่าธรรมะที่พระองค์สอนนี่เป็นนิยานิกระทมเป็นธรรมที่นาออกจาก ทุกเนี่ยนะเป็นพระธรรมที่รู้เป็นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้เพื่อนิพพานอย่างแท้จริงปฏิบัติตามเธอเลื่อมใสในธรรมเธอะแม้กระทั่งผู้ที่เลื่อมใสยังไปสุคติโลกสวรรค์จะกล่าวไปยัยถึงปฏิบัติตามแล้วพระธรรมนั้นพระองค์ตรัสไว้ดีจริงๆเนี่ยนะเลื่อมใสในลักษณะนี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุมรผลในอนาคตเนี่ยนะก็จะเป็นไปเพื่อเจริญคุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไป ดูก่อนพิสษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสษุไม่สงสยัยไม่ไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระสงฆ์คือผู้ที่ตั้งอยู่ในมักสีผลสีเนี่ยนะผู้ที่บรรลุมักผลเป็นทัศสดาบันเป็นต้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตของพิสษุผู้ไม่สงสยัย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 ถ้าเป็นที่อื่นๆพระ อ, องค์จะแสดงโสตาปฏิยังฆ่าธรรมอันนี้แสดงแบบปฏิเสต์ว่าไม่สงสัยก็แปลว่าเลื่อมประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวนั่นเองอันนั้นก็คือข้อข้อแรกก็คือประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าข้อสองประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมข้อสาประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ข้อสต่อไปนี้ก็คืออธิสีนั่นเองเนี่ยนะ อธิสีลศิกขาหรือเจริญศิขาสามก็เป็นการแสดงโศตปฏิยังคาธรรมอีกวิธีหนึ่งนะเรียก ว, ว่าแสดงอีกวิธีหนึ่งอีกแนวหนึ่งแต่จริงๆก็สอนเพื่อให้เจริญสัตทิน4ีเป็นต้นเพื่อให้บรรลมุมรรคผลต่อไปนะดูความพิสูจ์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสุไม่สงสยัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อในศิขาแปลว่าอะไรนะประกอบด้วยอริยาการตรีนเป็นต้นนั่นแหละ ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายจิตของพิสูจผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนือ ง, เ พ, อ เ, องเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิสูจน์น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่พิกษุนั้น ละได้แล้วเนี่ยนะก็คือละความสงสัยในสิกขากตั้งมั่นเลยว่าอนนะผลของอัตตะทาท่านบอกว่าไม่สงสัยในสิกขาว่าผลของงไม่สงสัยในศีลสมาธิและปัญญาผลของศีลผลของวิปัสสนาเป็นมรผลของมรชื่อว่าผลผลของผล การสลัดออกจากวัตฏะชื่อว่าพระนิพพานมันเลื่อมใสเข้าใจเลยว่าศีลเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในมหาปรินิพพานสูตรบอกว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิมีอยู่ด้วยประการชนีปัญญามีอยู่ด้วยประการชนีเนี่ยนะ